ดลพันธท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเพราะการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะทําให้ชีวิตของเรามีความร่มเย็นเป็นสุข ถึงแม้เราจะอยู่ท่ามกลางของความทุกข์ต่างๆก็ตามแต่ถ้าใจของเรามีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจใจของเราจะไม่รู้สึกทุกข์เรือวุ่นวายไปกับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ เราสามารถดูแลรักษาให้มีความน่มเย็นเป็นสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการเกิดแล้วต้องมีการแก่การเจ็บการตาย การพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาแต่ใจที่มีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่วุ่นวายไปกับการเป็นไปของร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพราะร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมร่างกายของเรา ที่เราได้มาของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันบางคนก็มีร่างกายที่มีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์บางคนก็ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นคนที่การขาดอวัยวะบางส่วนไปหรือมีโรคภัยต่างๆติดตัวมากับร่างกายเหล่านี้ ทางศาสนาเราว่าเป็นเรื่องของบุญของกรรมที่เราได้ทำกันมาในอดีตจึงทำให้เราต้องมารับใช้ผลของบุญและกรรมต่างๆที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญเราก็จะได้รับอนิสงค์ของผลบุญที่ดีเช่จนจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม มีมีฐานะการเงินการทองที่ที่ที่ดีไม่อดอยากขาดแคลนมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานมีสติปัญญาความรู้ความฉลาด เหล่านี้เรียกว่าเป็นอนิสงค์ของบุญกุศลที่เราได้ทำกันมาในอดีตจึงส่งผลให้เราได้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าเราทำบาปทากรรมมาในอดีตมันก็จะส่งผลให้เราต้องมารับใช้กรรมในปัจจุบันเช่นเราเกิดมา จะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามจะมีอาการไม่ครบสามสิบสองพิกลพิการตามอาวัยวะต่างๆอยู่เกิดอยู่แล้วก็มีแต่ความยากจนลำบากอดอยากขาดแคลนขาดสติปัญญาความรู้ความฉลาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ มันเป็นเรื่องของบุญและกรรมทําให้เราเป็นกันมาดังนั้นพวกเราที่เกิดมาจึงมีความแตกต่างกันดังที่ได้แสดงไว้เพราะเราได้ทําบุญทํากรรมมาไม่เท่ากันบางคนเกิดมาแล้วไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ไม่มีฮิริโอตปะ คือไม่มีความกลัวบาปไม่มีความละอายในการทำบาปสามารถฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้อย่างอย่างสบาย อ, อกสบายใจเช่นพวกที่ชอบยิงนกตกกลาชอบฆ่าสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารของตนเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความจําเป็นที่จะต้องดำรงชีพอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ จะมีอนิสงส์ตามมาต่อไปเมื่อเขาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเขาจะไปเกิดในภพที่ไม่ดีไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างหรือเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบเหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมที่ได้ทำมาเหตุที่ทำกรรมก็เพราะไม่มีความเชื่อไม่มีความ ศรัทธาในคำสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำบุญให้เราละบาปให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อกาจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุให้เราไปทำบาปทำกรรมถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะได้ทำแต่ความดี เราจะไม่กล้าทําบาป ก, กันเราจะพยายามลดละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเป็นอย่างนี้พพชาติของเราในแต่ละภพแต่แต่ละชาติก็จะเป็นภพชาติที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเมื่อหมดบุญจากเทพก็ลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีฐานะดีมีสติปัญญาที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลต่อไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อตายไปก็ขึ้นสวรรค์แล้วก็กลับลงมาเกิดใหม่ทำไปจนกว่าจะได้ไปถึงพระนิพพาน ที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเส้นทางชีวิตของผู้ที่ำำบำบำเพ็บุญกุศลผู้ที่มีความเชื่อในบาปในบุญเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อในกรรมก็จะบำเพ็แต่ความดีไม่กล้าทำบาปกันแล้วอานิสงส์ของเขาก็จะทำให้เขาได้ เกิดในสุคติในแต่ละภพในแต่ละชาติจนกว่าจะได้ไปถึงพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วเขาก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปรับบุญรับกรรมไม่ต้องไปทุกข์กับการเกิดการแกร่การเจ็บการตายไม่ต้องไปทุกข์กับการพลาดพราดจากกรรมเช่นพระพุทธเจ้าของเรา ที่ได้ส่งบำเพ็ญบุญกุศลในทุกภพทุกชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะส่งบำเพ็ญบุญบรารมีต่างๆกันแล้วแต่ฐานะแล้วแต่ความสามารถบางชาติก็บำเพ็ญทานบรารมีเช่นเกิดเป็นพระเวสสันดรก็บริจาคทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนมีอยู่ ไม่เสียดายซอบสมบัติเข้าของเงินทองหรือภรรยาหรือบุตรทีดาเพราะทรงปรารถนาบารมีที่จะทำให้จิตใจของพระองค์นั้นอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆจึงกล้าที่จสะสละที่สิ่งต่างๆที่มนุษย์อย่างพวกเราทั่วไป ยังไม่กล้าที่จะสละกันยังมีความหวงยังมีความเสียดายอยู่อา น, นิสงส์จึงต่างกันพระพุทธเจ้าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วแต่พวกเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะเรายังไม่ได้บําเพ็ญบุญบารมีเท่าเทียมกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบําเพ็ญมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องบุญบารมีในเรื่องบุญกุศล ว่าจะช่วยทำให้ชีวิตจิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็จะเสริมสร้างบุญบา ร, รมีกันไปตามแต่กำลังที่เราจะสามารถจะทำกันได้บา ร, รมีนี้ก็มีอยู่ถึง1ิบชนิดด้วยกันที่เราจะต้องบาเพ็ญต้องสร้างกันถ้าเราปรารถนาการหลุดพ้นจาก ความทุกข์ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นทานบา ร, รมีที่ได้กล่าวไว้แล้วหนึ่งก็คือการให้เรามีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้พอที่จะให้ผู้อื่นได้ก็อย่าหวงเก็บเอาไว้ให้ไปแล้วจะทำให้ใจเราสูงขึ้นประเสริฐขึ้นดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นต่อจากนั้นเกาก็บำเพ็ญศีลบารมีศีลบารมีก็คือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น mm hmm. เช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมนดเทศเสศสุรายาเมา mm hmm. นี่คือศีลบารมีแล้วก็บำเพ็ญต่อไปก็ เรียกว่าเนคขมมะบารมีเนคขมมะบารมีก็คือการบำเพ็ญจิตใจให้ห่างจากการยึดติดกับความสุขทางโลกคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หาความสุขทางใจแทนคือไม่หาความสุขจากการ ดื่มจากการรับประทานจากการดูจากการฟังสิ่งบันเทิงต่างๆแต่ให้หาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทจิตใจให้สงบเพราะความสุขที่จะเกิดขึ้นจากความสงบของจิตใจนี้ เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความสุขต่างๆในโลกนี้ต่อให้เราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะไม่มีความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบของใจเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระเวลาที่เรากำหนดดูลมหายใจเข้าออก เวลาที่เราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆจนจิตรวมลงสงบนิ่งเราจะพบกับความสุขที่เราจะไม่เคยพบมาก่อนเราจะรู้ว่าความสุขนี่แหละมีคุณค่ายิ่งกว่าความสุขต่างๆในโลกเพราะความสุขต่างๆในโลกนั้นไม่ถาวรเรามีความสุขเราได้อะไรเราก็มีความสุข แต่ไม่นานความสุขนั่นก็หมดไปได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความสุขเพียงวันสองวันหลังจากนั้นก็มีเรื่องปวดหัวให้มาต้องคอยแก้อยู่เรื่อยๆมีปัญหาต่างๆเพราะภารกิจของนายกเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นภารกิจที่มากไปด้วยความด้วยปัญหาต่างๆดังนั้นไม่ว่าเราจะได้อะไรมา จะไม่มีความสุขแบบความสุขที่เราได้จากการทําจิตใจของเราให้สงบพอเมื่อจิตสงบแล้วมันจะมีความสุขไปเรื่อยๆมันจะไม่หายไปมันจะสุขไปเรื่อยๆอยู่ในใจของเราและจะไม่มีใครเอาจากเราไปได้แต่ความสุขภายนอกนี้จะต้องเสื่อมหมดไปสักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่ง นี่คือความแตกต่างกันผู้ที่ฉลาดจึงจะสแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจด้วยการบำเพ็ญเนคข ม, มะบรามีเช่นมาอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเนคข ม, มะบรณมีคือจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพียงเพื่อ ดูแลร่างกายให้อยู่ได้ไปวันวันหนึ่งก็ไม่ต้องรับประทานถึงสามมือ้อรับประทานไม่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่รับประทานอีกเพราะร่างกายได้รับอาหารพอเพียงที่จะอยู่ได้จนถึงวันรุ่งขึ้นดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปรับประทานอาหารอีกเอาเวลาที่ไปรับประทานอาหารนี้ มาให้อาหารกับจิตใจมาทำจิตใจให้สงบดีกว่าเพราะจิตใจสงบเมื่อไหร่จิตจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอนี่คือเรื่องของเนกรรมะบารมีและผู้ที่จะบำเพ็ญเนกธรรมะบารมีได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีเจริญวิริยะบารมีคือความอุสาหะภาคเลียง ต้องมีความขยันหมั่นเพียรหมั่นปฏิบัติทำอยู่เรื่อยๆทุกวันพระก็จะถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวละเว้นจากการหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่หาความสุขทางด้านจิตใจด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งทำสมาธินี่คือวิริยะคือต้องขยัน ีเกียรติไม่ได้ถ้าที่เกียรติแล้วก็จะไม่ได้บรรลุถึงผลที่เราปรารถนากันเวลาที่เราจะบำเพ็ญบา ร, รมีแต่ละครั้งเรามักจะพบว่ามีมารจะมาผจญอยู่เรื่อยมีเหตุที่จะมามาเป็นอุปสรรคไม่ให้เราสามารถบำเพ็ญบา ร, รมีได้บางทีก็ร้อนเกินไปบางทีก็หนาวเกินไป บางทีก็หิวเกินไปบางทีก็อิ่มเกินไปทําให้ขี้เกียจอยากจะนอนอย่างนี้เป็นต้นเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการบําเพ็ญบา ร, รมอีอีกอันหนึ่งคือขันติบา ร, รมีเราต้องฝึกมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นความร้อนก็ดีความหนาวก็ดี ความหิวก็ดีความอิ่นก็ดีขอให้เรามีความอดทนถ้าเรารู้ว่าการรับประทานอาหารมากๆแล้วทำให้เราขี้เกียจไม่อยากจะบำเพ็ญเราก็รับประทานอาหารพอประมาณเช่นรับประทานอาหารไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วอย่างนี้จะทำไม่ให้ง่วงเหงาเหานอนจะทำให้นั่งสมาธิได้ง่าย แต่ถ้าเราลัรับประทานอาหารเย็นด้วยเวลาจะนั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้เพราะมันจะง่วงเหงาเหานอนอยากจะนอนก็เราต้องมีความอดทนต้องกล้าอดอาหารกล้าถือศีลแปอย่าไปเสียดายกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการรับประทานอาหารอีกมือหนึ่ง ตู้แรกกับความสุขที่จะได้จากความสงบของใจจะดีกว่าเพราะมีน้ำหนักมากกว่ามีคุณค่ามากกว่าถ้าเรามีความสงบใจแล้วต่อให้เราอดอาหารเป็นวันๆเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอย่างไรเพราะใจไม่ได้หิวไปกับความหิวของร่างกายนั่นเองแต่ถ้าใจของเราไม่ได้รับการบาเพ็ญดูแลรักษา ให้สงกใจจะมีความหิวอยู่เรื่อยๆถึงแม่รับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆก็ยังอยากจะรับประทานสิ่งอื่นๆอีกพอเห็นขนมหน่อยก็อดไม่ได้เห็นเครื่องดื่มหน่อยก็อดไม่ได้ทั้งๆที่ร่างกายนี้แทบจะรับอาหารรับอะไรเข้าไปไม่ไหวแล้วแต่ใจยังหิวอยู่ใจก็เลยบังคับให้ร่างกาย ต้องรับประทานอาหารเข้าไปอีกจนทำให้มีน้ําหนักเพิ่มเกินความจำเป็นไปแล้วทำให้มีภาระทางด้านโรคภัยไข้เจ็บตามมาคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปมีน้ําหนักมากเกินไปต่อไปก็จะต้องมีโรคต่างๆมารุมเราไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันนี่เป็นเพราะว่า ใจไม่ได้รับการบำเพ็ญดูแลด้วยบุญด้วยกุศลด้วยให้คัมมะบารมีใจจึงหิวอยากอยู่เรื่อยๆและยิ่งกินก็กลับแทนที่จะอิ่มกลับจพะพอกลับยิ่งอยากมากยิ่งขึ้นไปคนจึงรู้สึกอดยากลดน้ําหนักยากน้ําหนักเพิ่มขึ้นง่ายแต่ลดยากก็เพราะความอยากนี้เอง พอใจไม่ได้รับการเหลียวแลดูแลด้วยการบนนํมมบาเพ็ญเนคขมบรมีไม่มีความอดทนไม่มีความกยันที่จะฝึกทำสมาธิเพราะถ้าจิตทำสมาธิได้แล้วจะไม่หิวไม่อยากกับอาหารจะไม่หิวไม่อยากกับเรื่องต่างๆจะสามารถอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขได้จะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาจะไม่รู้สึกอิดนาระอา เราอาใจเบื่อหน่ายแต่อย่างใดเพราะจิตใจมีความสุขแต่ถ้าเราไม่บำเพ็ญดูแลรักษาใจมัวแต่ไปทำตามความอยากของเรามันจะทำให้ใจของเรานี้ว้าวุ่นขุนมัวว้าเวเวลาที่อยู่คนเดียวว้าเวรู้รู้สึกเบื่อหน่ายเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรจะเป็นคนที่ ต้องดิ้นลนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับตนและหามาได้มากเพียงไรก็จะยังไม่รู้สจักพออยู่นั่นคือไม่ได้แก้ปัญหาความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีอยู่ภายในใจจากการที่ไปทําตามความอยากต่างๆวิธีที่จะแก้ปัญหาความรู้สึกไม่ดีภายในใจนี้ อยู่ที่การทำใจให้สงบเท่านั้นเพราะถ้าใจสงบแล้วความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจะหายไปหมดจะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวของร่างกายของตนเองหรือของผู้อื่นจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะพิกลพิการจะไม่สมประกอบอย่างไรก็ตามก็จะไม่รู้สึกหนักอกหนักใจแต่อย่างใด จะรู้สึกธรรมดาธรรมดาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คืออนิสงค์ของการบำเพ็ญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาจนจิตของพระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขความสบายตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดกับพระ วรากายของพระ อ, องค์ก็ไม่สามารถไปกระทบกับจิตใจของพระ อ, องค์ได้เวลาที่พระ อ, องค์จะต้องเสด็จดับขันปรณนีพานก็ไม่มีความทุกข์กับการดับขันของพระวรากายเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นำมาสั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วนำเอาไปปฏิบัต พวกเราจะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับมาเพียงแต่ว่าในขณะที่เราบังเพนในขณะที่เราปฏิบัติมันจะเป็นเหมือนกับการปีนเขามันจะต้องลำบากเป็นธรรมดาต้องตะเกียก ต, ตะกายต้องมีความอดทนต้องมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัมสอนเป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เบื้องต้นเพื่อความสุขในเบื้องปลายเพราะว่าเมื่อเราได้ทําเมื่อเราได้ปีนถึงยอดเขาแล้วเราก็จะได้พบกับสิ่งที่วิเศษต่างๆรอเราอยู่ถ้าเราได้บาเพ็ญบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สอ น, สอนให้เราบําเพ็ญกันเราก็จะได้พบกับความสุข ที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆความทุกข์จะไม่สามารถเข้ามากระทบกับจิตใจของเราได้เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราก็ไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเกิดขึ้นกับตัวเรา เราก็ไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะเรามีเกาะคุ้มครองคือบุญบารมีที่พวกเรามาบำเพ็ญกันในวันนี้จึงขอให้พวกเรานั้นมีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะยากจะลำบากบ้างแต่ก็ไม่สุขวิสัย เป็นการลงทุนที่จะได้ผลกำไรมากกว่าการลงทุนอย่างอื่นถ้าเราไปทำอะไรในทางโลกเราจะมีความสุขในเบื้องต้นแต่เราจะมีความทุกข์ในเบื้องปลายเพราะเมื่อเราแก่ลงไปเรื่อยๆเราจะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของเราได้เราก็จะอยู่บ้านมีแต่ความเศร้าสร้อยงอยเหงาว้าเว เพราะเราไม่สามารถออกไปทำอะไรตามความอยากของเราได้แต่ถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้เวลาเราแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเราอยู่บ้านของเราได้อย่างสบายอยู่คนเดียวก็มีความสุขเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความสุขไม่ทุกไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัว พอใจรู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ใจนั่นเองใจกับร่างกายสามารถแยกออกจากกันได้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขานี่คือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทาบุญให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรม เช่นนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์และเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราไม่ใช่เป็นสมบัติของเราจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งถ้าเรามีปัญญาและเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะปล่อยวาง เราจะอยู่กับสิ่งต่างๆแบบสบายอกสบายใจเขาจะอยู่ก็อยู่ไปอยู่ได้ก็อยู่ไปเขาอยู่ไม่ได้เขาอยากจะไปเขาต้องไปก็ให้เขาไปเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจอะไรอาวอ์แต่อย่างใดจะไม่มีความกังวลไม่มีความหวาดกลัวนี่คืออนิสงค์ของบุญแักกุศล ที่เราจะได้รับจากการมาบำเพ็ญกันในวันนี้รับบำเพ็ญกันต่อไปเรื่อยๆขอให้เราบำเพ็ญกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วเราจะมีสลาณะมีที่พึ่งมีเกราะคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ภัยต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบุญบารมีนี้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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวั น, นสุขภละโดยทั่วหน้ากันเธอ